ธรรมบทแปลเรื่องที่139เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราพภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีประมาณ500รูปตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอย่าท่าบัพปุลกังปะเสเป็นต้น ตอนภิกษุถือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์ได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่ป่าแม้พยายามอยู่ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษจึงคิดว่าพวกเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษกำลังมาสู่สำนักของพระศาสดา เห็นพยับแดดในระหว่างทางเจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์นั่นแหละมาแล้วฝนตกในขณะแห่งภิกษุเหล่านั้นเข้าไปสู่วิหารนั่นเองภิกษุเหล่านั้นยืนที่หน้ามุขนั้ น, น, นเห็นฟองน้ำทั้งหลายซึ่งตั้งขึ้นแล้วด้วยความเร็วแห่งสายน้ำแตกไปอยู่ยึดเอาเป็นอารมณ์ว่า อัตภาพแม่นี้เป็นเช่นกับฟองน้ำเพราะอาจว่าเกิดขึ้นแล้วแตกไปเหมือนกันพระสัสดาประทับนั่งในพระคันกธกกดีนั่นเองทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาสเหมือนตรัสกับภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสพระคาถานี้ว่ายะท่าบับบุลกังปัเซ ยะธาปัสเสมริจิกังเอวังโลกังเอเวขันตังมัจจุราจานปัสติประยามัจจุยอมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกเหมือนบุคคลพึงเห็นฝองน้ำและเหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดดตอนแกะเบิรด้าบทเหล่านั้นบทว่า มริจิกังคือพยับแดดจริงอยู่พยับแดดแม้ปรากฏขึ้นแต่ในที่ไกลเทียวโดวยสามารถมีสันฐานดังสันฐานเรือนเป็นต้นเป็นของเข้าถึงความเป็นรูปที่ถือเอามิได้เป็นของว่างเปล่าแท้ย่อมปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้เข้าไปใกล้อยู่เพราะเหตุนั้นจึงมีอธิบายว่า พระยามัจจุยอมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งโลกมีขันเป็นอาทิเหมือนบุคคลพึ่งเห็นฝองน้ำเพราะอาจว่าเกิดขึ้นแล้วแตกไปและเหมือนบุคคลพึ่งเห็นพยับแดดเพราะความเป็นธรรมชาติว่างเปล่าเป็นอาทิฉะนั้นในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระอรหันต์แล้ว ในที่แห่งตนยืนนั่นเองดังนี้แลเรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา